ก็มีการทําความเข้าใจเรื่องความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่ว่ารูป ก, กับนามปวกกันการกัใจปวกกันมีความรู้สึกแต่ทุกคนก็มีความรู้สึกอยู่แล้วแต่ว่าความรู้สึกนั้นมันเป็นความรู้สึกแบบสัญชัตยานซึ่งมันไม่มีกำลังพอที่จะไปแก้ไขปัญหาในระดับจิตวิญญาณได้แต่สามารถแก้ปัญหาในระดับเวกกายระเวทนาได้ ระ้ับริติดวิญญาณที่เป็นกิเลสมีอาสวะขั้นละเอียดตกลงไปเนี่ยจัดการไม่ได้เราก็เป็นทุกข์เพราะกิเลสระดับนั้นทีนี้เราต้องการที่สูจคําสอนพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเราสามารถาเราจะสามารถทําลายกเลสอาสวะขั้นละเอียดได้พราะที่เรื่องที่เราพูดเนี่ยเราจะไม่ได้ ย, ยินในที่อื่นเพราะฉะนั้น แต่ได้ผ่านมานนจริงๆใครที่มาพูดเรื่องอเรื่องที่มันเป็นนามธรรมนห่นเองเป็นลูกประธรรมเนี่ยมันจะต้องผ่านประสบการณ์ประสบนแล้วก็เขาก็ถือว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งเรื่องอปรมัติผู้ปฏิบัติเข้าใจไม่ได้กลาหรือไ ม, รรไม่กล้าพูดในการนําเสนอแต่หลวงพ่อลองนำเส น, อ, อ, เ น, เสนอมาหลา ย, ลายงานแล้วเนี่ยพระกุลบุญรับได้เข้าใจได้เลยแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องลึก แต่มันมเป็นเรื่องละเอียดนั่นเองและพอทําความเข้าใจไปทีละขั้นตอ น, น, น เ, ขเข้าใจได้แลว้วบางคนต้องมีผลในการเปลี่ยนแปลงบางคนก็นเปลี่ยนแปลงได้จริงๆอยากช่วสั้นๆแต่บางคนก็นใช้เวลานะขึ้นอยู่ความหยาบขละเอียดของจิตนะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยการที่จะเปลี่ยนความรู้สึกตัวที่เป็นสัญชาตญาณให้เป็นปัญญ า, ยาอย่างได้ยังไง เรื่องของความรู้สึกดูแบบทัไปอ่ะที่คนทั้งหลายก็มีกันบางคนก็ยับยั้งได้มากบางคนยับย้ําได้น้อยบางคนยับย้ําไม่ได้หรือเมื่อถูกผัดสั่ชอบไม่ชอบแล้วเฉยๆมากระทบบางคนก็ตอบสนองบางคนก็มีความสามารถต้นทานได้เมื่อความสุขความชอบใจระดับที่มีพลังมาย่อยบนกดใจ บางคนก็ตอบสนองโดยที่รู้เท่าทันางคนก็รู้เท่าทันให้ตอบสนองก็มีเนี่ยอันนี้เลยสัจธรรยาทําได้ระดับหนึง่งแต่พอมันมีระดับที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นแม้แต่คนที่มีความรู้สึกตัวระดับหนึ่งที่เรามีสติปัญญาระดับหนึ่งก็ไม่สามารถจะรู้เท่าทันได้นั้นพจน์ก็จบมาชุ่มสู ง, สงมีสีปัญญาดีเลยเนี่ยเขาก็ยัตงตกเป็นข้าของราษฎร์ทูตสามุหาได้ แั้แสดงว่าจะมีสติปัญญาระดับใดก็ยังไม่สามารถจะต้าทานสัญชาติปญญาในระดับลึกได้ก็จะต้อมีการปรับปรับสัญชาติปญาในระดับที่เป็นเบื้องต้นเนี่ยในระดับรูปนามให้เป็นตัวระดับปรมาภิ์ด้วยการมาเพิ่มกำลังเหมือนก็เราจะเอาไปที่เกิดยากขานจากฟืเนเปเผเหล็กให้มันตัดเหล็กได้คุณจะสูงเท่าไหร่มันตัดไม่ได้ คมันไม่ไฟร้อนเหมืกันนะแต่พอจะตัดเหล็กได้ไปใช้ไฟแกะตัดอย่างเงี้ยนะถามว่าไฟจากปืนจากฐา น, นร้อนก็ร้อนแต่มันร้อนก็ได้ ร, ดระดบับอุณหภูมิที่จะตัดเหล็กได้ฉนีปัญญาที่เรียนมาชั้นสูงเนี่ยถามว่าสามารถตัดเกล็ดได้ไหมก็ตัดเกล็ดหยางได้กลาง ต, ตัดหยาบเดีเกล็ดที่ตัดไม่ได้เลยแล้วนั่นก็จําเป็น เพิม่มอุณภูมิของความร้อนทางยานปริยาที่สูง ข, ขึ้นเหมือนเราเพิ่งมูลณภูมิอาจจะเปลี่ยนเชื่อเพลิงจากปืนจากฐานเป็นแก๊สไปเลยอันนี้เป็นต้นที่เราขบข้อเหตุใดจะต้องเปลี่ยนกําลังของความรู้จากระดับสัญญชตญาณให้เป็นปัญยาญาณแล้วเป็นยิ่งยัชนญาณเพื่อที่จะมาตัดจิตระดับกลางเลยจิตระดับละเอียดได้ระดับอาสวะได้ก็ต้องมีการพัฒนา ความแลรมคงและความร้อนแรงเของอ้ามาให้สูงขึ้นโดยผานตบาบันรเรียกว่าอาตาปีนะส่วนอาตาปีสัมปชัญญุสติมารเรืออากาปีคือเตาเผาที่มีความร้อนแรงสูงเผาด้วยอะไรเผาด้วยกำลังของสัมปชัญญูและสติมาด้วยกำลังของสัมเพญญาสติต่างระดับท่านที่เป็นสัมเพญญาสัมเพญญาในขั้น ขั้งเราเรียกว่าธรรมวิทยาแต่สติในขั้นสติปัฏฐานพอไประดับสูงขึ้นไปเรียกว่าสติสามขุ้วสที่จะพัฒนาเป็นมิจัาเนียบอย่างนี้เป็นต้นพอเข้าสู่ระดับมิจฉาเนียบมัพัฒนาตัวเป็ขั้นขป้นไปอีกสามันเก้าขั้นสิบหกขั้นก็เพราะว่ามันไปตามหลักปริยะแต่มันมีจริงนะ น, นั้นเองก็ยังอยากจะให้ เราได้ทดสอบทดลองในทางมุตนาว่าหลัก ง, ง่ายๆที่ให้เป็นคนแรกว่าการเปลี่ยนความรู้สึกตัวจากระดับสัญญาณที่เป็นปยาย่างเริ่มย่างไรงเริ่มจากความรู้สึกกายรู้สึกเวท น, นาที่เราสัมผัสได้เราเจ็บรอแแข็งระับความในทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมที่จะเปลีป่ยนเป็นตัวระดับสติปัฏฐานอย่างไองก็คือเอาตัวรู้ สิบตัวโดยเขาเรียกว่าโดยสติสัญชาติ ญ, ญาณเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่รู้เพราะความรู้สึกเย็นแล้วหนังแข็งทางกายการเคลื่อนไหวทางกายเนี่ยระดับสติชนะสัญชา ต, ญ, ชต ญ, ญาณเนี่ยเข้าไปรู้ได้อยู่แล้วเข้าไปตามรู้ได้ทานอยู่แล้วเพราะความถี่มันต่ำก็สามารถตามรู้ได้เมื่อสติมาตามรู้นั่นก็สติเท่านั้นสัญชาต ญ, ญาณเนี่ยมันมีความจํากัดของมันในแง่ความคงทนมันเก สังเกตได้ไม่นานแต่โดยอาศัยหลักการอีกสองตัวที่เข้าไปก็คือ 1. คนที่มีแต่ศรัทธาในเรื่องนี้อันนี้คือตัวเปลี่ยนแปลงสำคัญคนที่ไม่มีศรัทธาอยากมาทำเรื่องนี้ก็ทําไม่ร อ, อดนะแต่มีศรัทธ า, ารักที่จะทําและสองมีความต้องการพิสูจนะ์ต้องการพิสูจเรียก ว, ว่าความเพียรพิสูจนด้วยหลักสีก่บทนั่นนะที่กล่าวมาทั้มระหว่าง ในส่วนที่เป็นปัญหาคืออะไรเมื่อเราระวังเต็มที่แล้วยังไม่สามารถที่จะปกปุมได้เต็มที่ก็ต้องไปจัดการให้มันลักในส่วนที่มาเล่นรอดที่เราเระวงไม่ได้เข้าไปลักในจุด น, นั้นอีกแล้วก็พยายามปลุกเราตามผู้สิทตัวะระดับธรรมดาเนี่ยให้มีกําลังขึ้นมาด้วยการทาความเพียรทำบ่อยๆสำคัญคือความอย่างลึกอย่างลึกมนอนความ ี่สูกไฟเตาเตเรียกเตาเล็กนะเตาหล่าเตาตีเล็กนะ<ม>ไฟธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เหล็กมันแดได้ใช่ไหมต้องทำเท้าสูดอยู่ที่เขยังใช้อยู่นะถ้ายังสูบอยู่ถืว่าคนนอกมากๆเลย <c oughs> เด็นท <c oughs> ี่เขาไม่ใช่ไงน่นะเขใช่เลยแล้วก็ลมเป่าเลยนยก็คลมเป่ามันเด็กแดงเลยมันจะตีเหล็กได้ เพรั้นนะคือในระดับต้ตนๆเอาอย่างนนก่อนคือพยายามเร่งอุณหภูมิของความรู้สึตัวธรรมชาติให้มีความร้อนแรงขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปเพิ่มกําลังของสติแฉลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นสติที่เป็นสัพพัญญาขึ้นมาก็นะคือดูต่อเนื่องระยาวขึ้นพอรู้ได้ละเอียดขึ้นได้ลึกขึ้นถ้าเจะว่าไปวิธี ไฟบูข้ามไฟไม่แรงพอก็เลยสุกช้าเนทั้งไฟก็เร่งแรงพอน้ำาี่เด็ดมี่คือข้าวที่สุกมันอย่างสติระดับสัญชาตญาณเนี่ยมันเหมือนกับเป็น raw material คือมันเป็นวัตถุดิบนะมันต้องเอาไปเอาไปผ่านความร้อนก่อนเป็นผักก็เราไปต้มเป็นข้าวเราไปหุง้นพอเรามาทำความเปลี่ยนต่อเนี่ยก็เป็นตะบะตะบะคือความปดกลั้นผ่านไปผ่านขันตีความดความดการเป็น สบายอย่างยิ่งเโดยทำเพิ่อเขา เ, เ, เกเรโดยสบายเพื่อเขาเกเรที่ตัวพันธุีความอดทเนเพื่อพัฒนาความอดทนความอดทนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิของฌานจะต้องใช้ฌานให้ความอดทนอย่างสูงก mm ็ hmm. คือนั่งทําอยู่ตรงนั้นเนโดยอาศัยเหตุสภาวิติคือความรักและความเพียรวิสถานและความเพียรทําอยู่นั้นแต่ถ้าเราไม่มีสัาธาและความรับที่จะทําทแล้วก็นั่งเดี๋ยเดียวเราก็เบื่อละ เองผ่นได้เองแต่พอเรามีความรักที่จะทำเรื่องนี้เราสามารถทนอยู่ได้เพราะคนที่มีความรักเราทนสือเลยใช่ไหม <S <S คุณน้อยผ่านมาเรียนทนทางานทั้งวันเลเพื่อเลีครอบครัวนะแลปริญญาประกอบอาชีพทำงานทั้งวันนะแนะป ช, แชั่วโมงก็พ อ, อยู่บาีกาเดียวไม่พอเอาอีกกาหนึ่งนะร่างนะ่าขนาดไหนั้องมีความรักา ม, มากๆเลยกันนะัน ง, งานจะเรียนครอบครัวไม่อดนะแล้วก็ความรักก็ตามมาด้วยเพียรขึ้นต้องท ทำาาร้ า, านอาหารปีทีตื่นข้าวทุ่งเจ็ดทุูงก็คือตงยอมเพื่อเพื่อได้เงินมาเลี้ยงผูวครอบครัวด้วยความรักต่อครอบครัวด้วยความรักที่เสียสยละทำงานเพื่อาาเธ อ, เอเทั้งวันในตอนนี้ตําเต่างเพราะว่าลักษณะเดียวกันด้วยความรักในรักตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะเราจะต้องไม่ตกเป็นชาติหมุนกิเลสแอบตามไม่เห็เนจะไปเรารักตัวเองแล้วทุ่มเทความเพียรเพื่อที่ให้ตัวเองได้พ้นความลำบ่ก เหมือนเราต้องการให้ครอบครัวของเราค้นความลำ บ, บากกับไขนี่ยนะแต่เราต้องการอีกแจกของเราเนี่ยพ้นกากความลำ บ, บากจากการเปลี่ยนแปลงของกิเลสจากความยากจนของเศรปัญญาที่มีเศรปัญญาขึ้นมาเรารู้ว่าความร่ารวยของเศรษฐญิจเป็นอะไรสัเชนิดหนึ่งที่จะแก้ไขความอับจนทงรรางเศรปัญิจที่เราจะไปแก้ไขปัญหาเรื่องกิเลสต่างๆเนี่ยเราก็ต้มาพัฒนามีความรับจริยธรรมและปริสูจน์ในการลงมือทำ เราก็มีอยู่มีอเองถ้าเป็นชาวบ้านแต่พอเรามารักตัวเองเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาเป็นกำลังเป็นสุขเป็นทรัพย์ขึ้นมาก็ <pe> มีสภาวะธรรมาด้วยการตามรู้ตามรู้ความรู้สึกตัวในตัวนี้ไปเร่ๆโดยนี้ก็จะเปลี่ยนสัญชาตญาณที่เป็นอารมณ์วิจิตรนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นวัตถุที่ใช้ได้ละ นั้นก็เราสามารถจะมาใช้ได้ในการเปลี่ยนเปยเรื่อยๆช่วงแรกเนี่เปลี่ยนความรู้สึกการพันาทางกายให้เป็นตัวรู้สึกที่มีความขีมแ้แข็กไม่อย่างยุดโดยรำพันความรู้สึกโดยชาติ ญ, ญาณมันไม่ขิแ้แขกไม่อย่งหยนไม่อยู่ได้ไปพักๆเกมบก็เบือนอกเลยเสียงหรืเพื่อคิดใช่ไหมอายุไม่สั้นแต่พอพัฒนาให้เป็นส e ติปยยัญญาระดับปัญญาญาณมันมีความอดทนสามารถทนอยู่ สิ่งนั้นได้แล้สาวะคาจิตให้ปวรบกวนเบือความเซ็งความคิเกียดความคิดได้มากขึ้นเรื่อยๆนนแสดงมันเปียแล้ว้าโอดียรีระดับสัญญามันทนขนาดนั้นไม่ได้ใช่อย่างโยมมน่บ้านั้งวันมันนังทำอย่างนี้ทั้วันได้ไ้ทาไเคยมาฝึกเนี่ยไม่ได้นเพราะมันไม่เหน้ารอเสร็จยปัญญาปัญญาระดับสัญาัไม่ถูกเกลียนดีพอมาเรื่องเป่ยนเนี่ยแค่วันแรกก็ เบือที่งเส็งยงวายเขาก็อาจจะว่าตอนนี้เริ่มทนมากขึ้นนั่นหมายความว่มันเปลี่ยนแะ้วมันเปลี่ยนเป็นปัญญาเยอมากขึ้นส่วนมันจะเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ว่าเราพยายามต่างอุปมาที่ชอบใช้บ่อยๆว่าเหมือนไก่กกไข่มไม่ใช่กกวันเดียวมันเปลี่เป็นตัวไก่เลยนะมันโกกนานเนาะมันเคยเรี่ยงไก่ที่เบ่งด้ไม่ใช่เวลานานเท่าไหร่เบ่เป็นลูกนะ นี่สิบกว่าสาวนที่เนอะนี่แสดงว่าอาชีพรู้เวลาเป๊กเลยเนี่ยนี่สิบกวันเป็นข้อเสียดเดวเนี่ยนีเนี่ยเนี่ยอยากเนื้อไข่สดๆเนี่ยนะมันกลายเป็นโจ๊ไก่ได้อะนี้คือธรรมชาติล้วนๆเลยนะแต่พอเดี๋ยวนี้เป็นระบบบริษัทก็เอาไก่แม่ไก่ไปโขงไงเขาตู้ปรบระับเข่ากับแม่ไกที่มันมีไม่กี่วันก็แตกออกมาเหมือนกันนะนะ่ คือที่ไม่ต้องภาษัยไม่ไก่เือเคาในรูปไ ก, เปเไกเปเ่เมืติแตกออกมาเหมือนกันลักษณะเดียวกันเมื่อเราจะิญสติไประดับหนึ่งเนี่ยหมือนึงว่าไก่ให้ไข่คือถอดเอาตัวสัญชัตญาณออกมาเป็นตัวตออกัญญา่าได้บ้างแล้วนะมีคอโปรตินสูงขึ้นต่อเนื่องยาวนานขึ้นนะนั่นก็คือตัวสติระดับสัญาญาณเปลี่ยนมาเป็นตัวสังัญญา ปัญญ า, ย า, ยายขึ้นมานนเลือนนิดเลือนนิดเดินเปลี่ยนโยกใหญ่ครับแล้วก็เพียตนตะรีเพียนตรีบางคนซึ่งมีคุณสมบัตรธธรรธิทางจิตได้ความเพี้นได้ทามาก่อนนะได้ตื่ฝนสมถะอย่างนี้มาก่อนก็สามารถสอยยอดได้เลยแทนะที่จะปฏิบัติใช้ความเพียนพยายามสูงแต่ใช้ความเรียนเพียนไม่มากแต่ก็สามารถเปลี่ยนได้ เนื่นกยวกว่ามีคุณชุ่มบัดทางจิตเขาเรียกว่าศนะบา ร, รมีที่ได้สั่งสมมืก่อนเมื่อก่อนเราเคยเข้ามาคอนี่เราผ่านคออ์ผ่านวิธีการอย่างรือนมาหลายครั้งอะไรใช่ไหมพอมาเปลี่ยนอันนี้ปั๊บมันก็สามารถทําได้ทั้งหวันอย่างคุณโอเนี่ยคุณพอดูนี่ยเปฏิบัติได้ทั้งวันไม่เบื่อเลยในท่าทาเนี่ยก็ได้คอร์สหนามาหลายข้อแล้วเนะก็พอทําแค่ต่อได้เลยยนะังนี่ไวนะอีกข้อดเดียวโอไปได้เลย แน่แน่แหะเดียชนไปเข้าคอร์ตจอที่เชียงเขาีกเดือนหนึ่ง mm hmm. แล้วเช็สีวันก็ดีเนาะเราใส่ไไมได้เดือน mm hmm. ก็อันนี้คือวิธีการที่จะเปลี่ยนในการใช้ว่าความรู้สึกกายกับเวทนากายกับใจกายกับเวทนาทางกายเปลี่ยนเป็นตัวสมาธิและสมาสมาธิอีสระปัญญา แต่ไม่เรียกว่าปัญ ญ, ญาใหญ่แต่สัญญาเป็นปัญ ญ, ญาให ญ, ญ, ญ่ง่ายที่นความหมายเดียวกันอย่ทีนี้ในขั้นต่อไปเราจะเปลี่ยนเวทนาทางกายให้เป็นเวทนาทางจิตเนี่ยเมื่อกี้เราเปลี่ยนจากกายนะให้เป็นเวทคือหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยอะไรมากระทบกายในทางไม่ชอบแล้วก็ในทางไม่ไม่สบายแล้วเราก็ิ่งไม่ชอบนี่นเอใช่ไหมแต่พอเราถูกเปลี่ยนเพราะอะไรมากระทบทางกายในทางที่เรา ไม่สบายล้วก็รู้สึกเฉยได้เมื่อก่อนเวลาเรานั่งอย่างนี้ไม่มีพารมณ์ร้อนระอ้ะอ่าเนี่ยเราคิดไปไหนเนี่ยนั่นก็อหนาไปหาที่เย็นกว่านะแต่เรานี่ก็นั่งทนได้ทั้งวันไหนท่มันนั่งที่นี้อากาศันอ้านี่มันเปลี่ยนลว้ว่าความรู้สึกที่เป็นสัจชาญาณเริ่มเปลี่ยนเป็นความอดทนสูงขึ้นจากขันติธรมรมดาเป็นอาธิวาชนะขันติอนเองมันเริ่มมันเปลี่ยนไปที่พอในขั้นที่สองการจะ เวทนาทางกายเปลี่ยนเป็นเวทนาจิตมีความรู้สึกไม่สบายทางกายมันจะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกไม่ชอบไม่ชอบใจไม่สบายใจ ไ, ไม่ชอบใจนี่คือสดิสัญชาตญาณมันจะเปลีป่ยนไปอย่างนี้แต่พอเรามาเจริญสติแบบนี้ต่อเนื่องกันความรู้สึกที่เป็นสดิความรู้สึกนี้จะมีความคงทน พ, พอพกระทบเวทนาทางกายเพราะ มันก็ได้เปลียนเป็นเวลาในกทจธุลีมันดูคนพอกึง ร, ระดับนี้จะดูได้แค่ไหนก็ดูไปเรื่อยๆนั่ง น, นานๆเมื่อตอนต้งเปลี่ยนไปเป็นมาในรูปนี้แต่เนี่ยนี้นั่งแช่นั้นได้โดยที่ไม่ไม่รู้สึกว่าทรมามรู้สึกว่าดูไปความรู้สึกตัวในระดับของกายก็มีความคงทนข้อจิต ก, ก็ไม่ถูกเวทนารบวนโดยที่ปลอดปลอดภยัยในระดับพอในขั้นที่สามต่อไป เมื่อเวทนาทางกิต จ, จะไม่พัฒนาเป็นระดับเป็นอารมณ์ต่อไปคือความรู้สึกชอบใจที่จะไม่ให้เกิดความติใจที่เพลินได้อย่ไร<ม>ตัวเนี้ในระดับขั้นสูง ข, ขั้นประมาทแล้เนี่ยในระดับที่สาเนี่ยนะระดับที่หนึ่งที่สองนี่เป็นเป็นพัฒนระดับลูกนาวมอารมณ์รูกนาวมีดังนั้นการที่เราเข้าไปเก็กบอารมณ์เพื่อจะดูการเปลี่ยนแปลงาแล้วขั้นตอนเหล่นี้ให้ชัดขึ้นนะแต่ถ้าเรามาทํา การเป็นกลุ่มเป็นกลนเนี่ยอาจจะมีมลภาวะเพ่อลบกวนวอกแวกไปทางอื่นใช่ไหมแต่พอเราไปทำคนเดียวเราจะสิ่งแวดร้อมได้แต่นั้นในกรณีที่ว่าที่จเข้าเก็บคำและเึงเก็บอารมณ์เนี่ยหมายความว่าต้องเข้าใจให้เห็นความรู้สึกตัวที่เป็นกายเป็นเวทนาเนี่ยที่ทนรอทนความเย็นร้อนห่อนแข็งเช่งถึงที่เกินเนี่ยโดยที่ไม่เข้าไปปีด การจีบขึ้นเขาไปผ่านความให้เกิดความพอใจไม่พอใจได้ระดับหนึ่งสมมติว่า100ร้อครั้งเนี่ยมากระทบความรู้สึกไม่สบายมากระทบหนึ่งร้อครั้งแต่เราสามารถทนก็ได้ถึง30ครั้งขึ้นไปแม้ผมไม่ได้เพิ่มเจ็ดสิบครั้งนะแต่ก็ยังรู้จักผลขึ้นมาละาที่เร า, ากระทบกมาทัฒนารรมหูจีบหูใจใจอดีรูปเสียงจีบรถไฟนอกที่เป็นสิ่งที่ไม่มีพอใจสิ่งที่ทําด้วยกายไม่สบา ย, บายกระทบมาหนึร้อยคน แต่เรารู้สึกรู้ทนถึงสามสี่ครั้งหนึ่งนี่แสดงว่าอ่าความเข้มแข็งของสัตยาได้ระดับหนึ่งแหละอันนี้คือคือมองเห็นภาพแล้วเป็นไปได้มาเข้าใจได้มัาที่ที่พูดเนี่ยเข้าใจได้ไหมคุมพี่เข้าใจได้นะเออมันไม่ซับซ้อนอะไรมันผมกยายังทําให้เป็นอุปการะที่สุดแล้วนะก็ได้ระดับนี้แหละทีนี้ใน พอมันก็นเปลี่ยนในความรู้สึกทางจิตแล้วเนี่ยนอะันแรกที่สุดเราเรียกมันว่าโมสมนัสเวทนาถ้าความรู้สึกปอใจเช่นอากาศพ็ดีพล่อยใจแล้วรู้สึกชอบยินดีปล่อยใจเพราะงั้นขั้นตอนระหว่างเวทนาทางรูปเปลี่ยนมาเวทนาทางนามในขั้นระดับเวทนาตัวตัวแรกเนี่ยมันไม่ยากพอเห็นไ เราก็สามารถจสกัดแกนได้ระดับเหมือนชุบเข้าทันได้ด้วยแต่ว่าก็ผู้ใหม่เนี่ยตั้งดอกยับอยู่เรื่อยๆเพราะมันมีทั้งหัวขางมันที่ทันแต่ทางกายอมาทางตาไม่ทันวิจิี่ดูแล้วไม่ชอบใจเปดูแล้วไม่ชอบใจแต่ไงไอคาว่าดุจเฉยๆเนี่ยยังไม่ทันใช่ไหมเสียงแต่พะทุบหูมาข้างทางมาข้างไม่ทันเจ้หมือก็ทุบกินเลิกระทุบลิง สัมผัสกระทบกายอารมณ์กระทบจิตเพราะต้องรู้เท่าทันแต่รัชยตยศจนั่อย่างน้อยสามสิบเอร์เซขึ้นไปว่าโดยที่ไม่เข้าไปในมันทันทีแต่โรคมารทางที่ไม่ชอบก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกไม่ชอบทันทีไม่ได้ยังรู้สึกได้ถือว่าเออทันนบางทีมันก็ไม่ชอบไปนิดหนึ่รู้สึกตัวไม่ชอบเลยนะเมื่อทีหลงชอบไปนิดหนึงเก็ชอบใจไปเลยเนี่ยทันมีลักษณะเนี่ยทันไวขึ้นบางเรื่องก็ไป่ทันเลยหลายเลยเนาะหลายคิดเลย อาหารวันนี้อร่อยมากเลยนึกเลี้ยงนึกอีว่าพวกนี้จะมีหรือเปล่ า, าน้อยมัยมยนยังไม่ที่สูดเลยนะั่นยังไม่ทันเลยบางเรื่องก็ไม่ทันเอาเลยนะบางเรื่องที่มันเห็นคนที่มาถูกแกจริงเนี่ยดังนั้นแล้ก็ตามไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่อย่างน้อยให้รู้คอนเซ็ปต์ละพวกมันว่าเออถ้ารู้เท่าทันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าสตริระดับที่เป็นสัญญาได้เปลี่ยนเป็นปัญญ า, ยานในระดับหนึ่งแล้วทีนี้เราอยากจะให้มันไวกว่า น, นี้ก็ทำความเพียรไปเรื่อย บ่พาะความ เ, เพื่อที่จะไปเพิ่มกําลังของความรู้สึกความอดทนเนี่ยให้มสูงขึ้นที่ความอดทนสูงขึ้นแล้วก็ตัวปยยัญญาต่างหมายความว่าเราอดทนไม่ใช่แบบเจ็บปวดกันแต่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนในโยมันี้ว่าให้กายเนี่ยได้สบายระดับไม่ได้ระทางกายให้ลำบากการปรับกายให้ ใม่้ทนได้ระดับหนึ่งการผ่อนคลายแต่ถ้าระดับสมรรถะแล้วเนี่ยก็จะใช้วิธีว่าคนกล้าเอานั่งท่าเดิมนี่แหละโือไม่ยอมเปลี่ยนก็ถือว่าคนไหนอดทนได้สูงกว่าระบาดสูงกว่าที่มันสามารถทนได้ถึงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงโดยที่ไม่เปลี่ยนท่าเลยนะตอนนี้ก็จะเป็นสมรถะพลังที่คนอยู่ก็สามารถเปลนเป็นพลังจิตได้แต่ไม่ใช่พลังกริญาอันนี้คือสมรรถะกับวิสนาจะมาแยกตรงนี้ เพราะคนที่ยังมีอัตตาตัวตดนอยู่มากเนี่ยก็ื่อทการพลังทางจิตเขาย่อยพลังทางอัตอาตาตัวตดนเนี่ยถ้าเป็นพลังทางทางทางจิตเป็นพลังทางยิบมากขึ้นโดยาการใช้พลุกุยธนาเป็นตัวบุกเพาะตัวพลังนั้นถ้าเราไปนิยมชมชอบอยากให้เกิดในนั้นหรือกุยจารย์มาสอนเราไปตุ่นที่ให้ทำนั้นก็หมายควาว่าท่านสอนสมาธิอยู่ เึงว่าท่าบกเป็นวิปัสะนาก็ยังไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเอาพลังทางนั้น น, นั่นเองเในแง่ของวิปัสนาต้องการเปลี่ยนพลังอา น, นี้เป็นพลังทางปาัญญามีพลังทางเจตัวหรือพลงางปาาัญญาก็ต่างกับทุกที่เองอันหนึ่งต้องการพลังทางปาัญญาเพื่อต้องการรูกร้นนกระบวนการขั้นตอนเกิดขึ้นตั้งอยูยคค่อย่ไปตองมันว่าความหนักเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่ายคคยไงไรไปนั่นเอง ความหนักมีโทษยังไงมีคุณยังไงความเบามีโทษยังไงมีคุณประลุการเห็นม่ข้อเห็นารายละเอียดมากขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของปลาทางพลังทางวิปัสสนาเป็นพลังปัญญาลิทธธรรมปัญญามีสองลิทธธรรมที่ทรรมกิจและลิทธรรมปัญญาลิทธธรรมกิจเรียว่าเจโตที่ทรมปัญญาเพืยกว่าวิปัสสนาอันั้นเองเราก็เจะมีสองประเภทเนี่ย บางคนก็ได้ทั้งสองอย่างจะโคนก็ได้ไม่คนก็ได้จิตไม่เปลี่ยนแปลงแต่คนสใหญ่เขาต้องการพลังทางดินทางใจยยงนะต้งการที่จะได้อะไรพิเศษขึ้นมาอันนี้ก็จะไปเล่นเกโดไปเล่นเด่นเเล่นานได้พลังอำนาจยิ่งยิ่งยิ่งพลังความเจ็บปวดสมมติเท่านี้ชอบพวกนี้นะรือว่าได้พลังได้ได้ต่อสู้ได้ได้มีพลังเป็นพิเศษ Standing, can you understand what I am talking about? You, you, you, you don't see now. You are t r n s e a t i n now, work now. See, o d o t see. don't t n k o u d h y duty. a l k i n g English, speaking e n g s h e that, muzzy. Sometimes I go to open the door. I don't have a car, I o n t have a b i k I n t a v e a เรองโยนไปตรงนั้นทีทางนี้ทีต่อไปถ่าจัดก็จะไปพเฉพาะพลังมาฝูงพลังแก่กไทยกนะ mm hmm. ับไทยบางทีเขาความดีก็อยากให้เพื่อนทั้งหมดฟังนะนี่เราเร า, เราบาปเ่อนมานักงฟังไม่รู้เรื่องเราาไม่ยนะอข้ามอะไรทีนี้ทีต่อมาเมื่อเราเข้าใจหลักการอันนี้แล้วเนี่ยเข้าใจลั ก, การอันนี้แล้วก็จะพยายามตอบย้ำตรงนี้ก่อนเดี๋ยผ่านไปเรว ผ่านไปเดียวแล้วนอาจจะลืมนะดอก้ำจะเรื <S <s ่องทางนมานานเพราะเนื่องจากเรามันยังผ่านความหลงลืมแบบอันนี้อยางทุกข์ข้าวนาคามาตลอดเนี่ยเราเราไม่อยากจะไปซ้ำซากกันอยู่อะไรนานด้วยอำนาจของความอยากมนตัณหาเรื่องอำนาของตัณหาเรามีมาตลอดดังนั้นคนเราก็จะมีเครื่องเล่นเปลี่ยนเครื่องเล่นไเรื่อยไปจำบ่อยใช่ไห เลนี่เนื่อยเป็นลายเหือยก็เป็นเเเืออ่านซีพิม์อานีิมก็ไปอ่านข่าวบวข่าวก็ไปคกับเพื่อนคือกับเพื่อนยังไปพอกอยู่ทศัพท์เรื่อยๆแต่ในบ้านเรามีของเล่นเยอะแยะเป็นเต็มไปหมดใช่เสี่ยวผ้าปอนดับสุ่มบัตเขาใหญ่ขึ้นเนื่ยๆตอนนั้นเองก็จิตข้าเรามันก็ต้องการที่จะหาที่พื้งภายนอกเพราะที่จากมาได้ที่พึ้นจเป็นความจริงภายใน พอเรามาเจอความจริงภายในป้อมเนี่ยเรามาเข้าใจถึงธรรมชาติของจิตว่าความอยากเกิดจากอะไรความอยากเกิดที่ความว่ามารดับุญป่อล่ะใช่ไหมความอยากเกิดในทางเกิดมาจากความไข่ความไข่เกิดมาจากความเพลินความเพลินเกิดความติดใ่ความติดใจเกิดเพราความพอใจความเข้าใจเป็นความยินดียินดีเกิดจาความสบายกายจุดตรงอย่างนี่มีไล่ไปได้มา ผม พ, พูดว่า ม, มันปุ๊บเป็นความอยากเลยในะระัตทัดตอเป็นตัวนั้นเลยนะทีนี้พอเราได้ฝึกสติสัมปชัญญะเป็นปัญญามันก็จะเห็นอิวัฒนาการของความสบายกายเล็กๆอย่างเนี้ยพอเราไม่ได้ตามรู้ปุ๊บมันพัฒนาปุ๊บเกิดความอยากไม่ทันเราไม่ทันดังนั้นในการที่จะทันมันได้ก็ต้องเปลี่ยนความความรู้สึกที่เรามีอยู่เฉยๆให้เป็นปัญญาได้เพราะเป็นปัญญาที่จะตามทันในระดับใดระดับ แล้วแต่ว่าใครจะพัฒนาได้ไวกว่าใครถ้าพัฒนาได้เร็วก็เกิเป็นเดียวกว่าตามในระดับความสบายกายตามรู้ไม่ทันอาจจะทันความความสบายใจความสบายใจการรู้ไม่ทันอาจจะไปทังที่ความชอบใหญ่ความชอบใหญ่ตามรู้ไว่ทานคือความทินทีความชอบใหรู้ไม่ทันอาจจะไปทันที่ความเพลินนะความเพลินนี้รู้ไม่จะเป็นความใคร่อยากความยากก็ไปเป็นความอยากเงินตัวเลยทีนี้ถ้าหากว่าระดับสติปัญญาเราไวขึ้น มันก็จะปัดต้นต่ อ, ตอได้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ต้องทวนอย่างเนี้เราเรียกว่าทวนยากนะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ว่าตามแบบที่มีคำพีในส่วนหนึ่งนะแต่นนในแง่าภาคปฏิบัติเราไม่ตามรายละเอยียดขนาดนั้นนะแค่ว่าตามูปความรู้สึกตัวชอบกับด้วยชอบตัดความชอบบางทีมันไม่ทันปับาบออกบานทีมันไปไกลกว่านั้นมันยากเลยนะไปได้ไวปื้ดเดี๋ยวไปขั้นตอน เป็นความอยากเลยความอยากขั้นแรงความอยากขั้นกลางๆความอยากขั้นอ่น อ, อนๆนะคุณก็จะมาดูความอยากขั้นระดับต่างๆระดับต่างๆก็รัได้ง่ายแต่ความอยากขั้นุแรงรารับได้ยากขึ้นมีเรื่องก็เริ่มตื่นตัวระดับของเอ ه, สถียอีกสามัญญาให้มีกำลังขึ้นเรื่อความอดทนให้เกิดความทนคงทนต่อการแกระทบได้มากขึ้นขั้นตะินะ